ขอพารษาไปจนเกนหมดปีหมดเดือนไปแล้วขึงไปแล้วขอนไปแล้วแต่เป็นชีวิตของคนก็เตือนแล้วตะวันก็บ่ายแล้วป <c oughs> ีเดือ น, มนหมดไปหมดไปคุณความดีที่เราเกิดทำ มันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับการพิณิพจน์นะตรวจตาจีกอบป่วยเอาเวลายังมีชีวิตอยู่คนเราจะทําความดีได้ก่ออาศัยตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายไปก่อมีโอกาสเวลาที่จะมาสร้างคุณงามความดีอีกได้ถ้าเราตายไปแล้วจะต้องอาศัยผล บุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้ <c oughs> เป็นสนับสนุนให้ตัวเกิดในภพดีชาก ด, ดีต่อไปอทางนี้บุญกุศลสนับสนุนให้การไปเกิดของเรากรณีสาวเราจะไปเกิดที่ไหนไปนเกิอดอย่างไรมันหมายถหมายสมหวังให้ฉะนั้นการสร้างเป็นงานความดี จึงจำเป็นและเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องสนใจอุตสาหพยายามทำไปตามความสามารถของตัวความคิดอื่นทางสายโลกทุกคนก็มีความคิดความเห็นเป็นใจต่างๆนานากันจำได้ติดปากติดใจแต่ธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าเนื้สอนนั้นไม่ค่อยจะจำกันแลวจำยากถือว่าเป็นของพระของเจ้าถือว่าเป็นของนักปราชญ์บัณฑิต <c oughs> เราคนธรรมดาไม่จำเป็นที่จะศึกษาไม่จำเป็นที่จะคิดแต่ความจริงธรรมะเป็นของ จำเป็นในชีวิตของทุกคนทมก็เป็นของจำเป็นของทุกคนอีกเหมือนกันเพราะธรรมนั้นมันเป็นยาสำหรับใจเมื่อเวลาป่วยไข้เมื่อเวลาเจ็บหนักเรื่องของโลกทุกอย่างที่เราเคยคิดค้นสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมา เราจะเอามาแก้จิตใจของเราให้สงบให้สุขให้เย็นไม่ได้ในเหมือนธรรมะส่วนธรรมะถ้าเราพิจารณาเราศึกษาเราปฏิบัติสามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ความลำบากความยุ่งเหยิงของใจออกไปได้เมื่อเวลาปวายไขย่หรือเจ็บหนนะักจากนั้นธรรมะ จึงจำเป็นเพราะทุกคนจะต้องมีการป่วยการเป็นการล้มการตายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าสาราวาัตและนักบวชจะต้องมีการป่วยการเจ็บการล้มการตายกันทั่วหน้าที่เกิดมาเมื่อเวลาเจ็บขึ้นมาทางในนี้ธรรมะจะไปคิดหาอันนั้นคิดหาอันนี้ เพื่อที่จะให้บรนเทาทุกในจิตในใจเพื่อจะให้ใจแใจ่มใสใจสุขใจสบายมันไม่มีอะไรให้ทุกคนเกิดมาเคยประสบพบเห็นความป่วยไข่ไม่สบายทางกายจิตใจอยอมเป็นห่วงไม่อยากร้มอยากตายกวลเก่าอายเขาขวงเงินทองหาไมา่ได้ หรือความเหนืออยากลำบากต่างๆถ้าหาโรคไม่หายก็ ย, ยินดีที่จะนำไปใช้จ่ายเป็นขายหยุดขายาหมดเข่าของเงินทองในกระเป๋าในบ้านเรือนก็สามารถที่จะขายอะไรนาะเลือกสวนต่างๆถึงเป็นของมรดกตกทอดมาจากบิดามารดาแดงให้แต่ละสาเขาจะให้โรค มันหายจากกายของตัวเป็นอย่างนั้นทัว่วไปพออยากจะให้มันมีชีวิตยืนยงคงอยู่อยากให้หายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาญแต่มันก็หายไปได้เป็นการเป็นสมัยถ้่ยังใ น, นถึงวันถึงคืนที่จะล้มหายตายไปแต่มันหายในขาด โอกาสข้างหน้ามันก็ป่วยอีกเป็นอีกผลที่สุดกุถึงจุดคือการตายมนุษย์เราเกิดมาเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกขนหน้าเมื่อเวลาเจ็บหนักๆสิ่งที่เราเคยสุขเคยสบายเคยเพลิดเคยเพลินนำ ม, มนุษย์คิดเพื่อจะแก้จิตของตัวในห่วงถาดขันมันไลยมีม <c oughs> อะไรที่เป็นอยู่เป็นยาให้ คิดไปเทอะไรมันก็ไม่สุขไม่สบายคิดไปเทอะไรก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายขัดข้องไม่มีความสงบไม่มีความสุขให้ในเรื่องของโลกทั่วไปเป็นอย่างนั้นถ้าหากเจ็บหนักเข้ามาสมัดชัดสะท้านเขาของเงินทองบ้านช่องไหลานาเหยียดสวนต่างๆมันไม่มีทางที่จะความจิตทําใจทั้งตัวให้เพลินให้สุขได้ ว่าเรามีสมบัติมากอะไรต่ออะไรเรามีมากเราเพลินในสมบัติของเราใจของเราสุขใจของเราสบายไม่ห่วงห่วงที่ร่างกายของตัวที่เจ็บที่ป่วยมันเป็นไปไม่ได้ น, นันไหนมีอะไรที่จะช่วยเหลือตัวของตัวได้เรื่องของโลกลูกล้าน สามีภรรยาพ่อแม่ <c oughs> ที่ยังมีชีวิตอยู่มาดูแลรักษาก็ช่วยไม่ได้ความเจ็บปวดนั้นอ่าช่วยได้คนนั้นหยิบออกไปนิดคนนี้หยิบออกไปหน่อยมันก็าหายไปอ่าช่วยกันได้เหมือนวัตถุไฟนอกเขาไม่ยอมให้เจ็บน่ะให้ทุกข์ให้ทรมานอย่างนั้นเพราะความรักกันความชอบกันมันมี บางทีอยากขอตายแทนกันขอเจ็บแทนกันนั่นมันเป็นคำพูดแต่มันช่วยไม่ได้ใครเจ็บกวคนนั้นแหละได้รับทุกข์รับโทษนอกจากปุถิมีอัดมีธรรมในจิตในใจเคยฝึกปฏิบัติภาวนาพิจารณาเรืเ่องของถาดขันเจนทมจิตทมใจให้รู้เห็นเด่นชัด ตามเป็นจริงของมันว่าถาดขันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีการแย่ปวนและแตกสลายตามหน้าที่ของมันเมื่อมันเป็นส่วนอย่างนี้ก็พิจรารณาเรื่องความจริงของมันที่เราเคยพิจารณามาก่อนจิตก็ไม่ห ว, วั่นไหวไม่กัวความตายเหตุได้จึงไม่กลัว พอเราพิจารณาแล้วว่าเกิดมาตายคนที่เคยฝึกอบรมภาวนาความตายจึงมีจิตสานาสอาจหารเมื่อเวลาป่วยไข่มาแล้วเมื่อเวลาถึงตาวตายจรงิงจัจกงก็ไม่เสียใจจะเป็นคนใ่ชิดสนิกสนมกันขนาดไหนใจเ้าก็ไม่เสีย เพราะเขาเคยพิจารนาอยู่แล้วอยู่รวมกันไปก่อเหนือมีรวมหายใจเป็นอยู่เท่านั้นและการจากไปนั้นเขาไม่จากเราเราก็จะต้องจากเขาโดยพิจาจนาเอาไว้ในจิตในใจของตัวอยู่อย่างนั้นไม่ตื่นเต้นไม่ลหลงไหลพิจารณามรณะสติ คือความตายอยู่เป็นไปจำแผ่นเคยกล่าวเอาไว้ในนิทานเรื่องพระโพธิสัตว์ของเราคือพระพุทธเจ้าเกิดเป็นชาวนา <c oughs> บิดานันดาหรือครอบครัวนั้นสอนกันอยู่เป็นนิสให้พิจารณาความตายต่างคนก็ต่างพิจารณาเรื่องความตายอยู่สม่ำเสมอ ไม่เคยละเลยไม่ว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินหนังนอนเว้นจะหลับเคยพิจารณาอยู่เป็นประจำคอยวันแต่จะจากธาตุขันคือตายแถานั้นไม่มีอะไรที่ทำมาหาจินสะสมสมบัติต่างๆก็สะสมมาไว้เถือ่อหลังตายมันยังอยู่ยังไม่ตาย แต่ตายไปแล้วจะจากไปสมบัติเหล่านั้นแม่แต่กายของตัวเองก็เอาแน่ไม่ได้ไม่ทราบว่าวันใดเราจะจากมันไปที่เจนาจนถึงใจแจม่มแจ้งในจิตในใจของตัวในครอบครัวนั้นในนิานทานขันกล่าวเอาไว้มีหักคนเดียวกันคือพ่อแม่ลูกแล้วลูกสะภ้คนชายอีกเป็นหักคน วันหนึ่งพ่อกับลูกไปไถนาแต่เช้าพอดีเผอเอินงูเห่ากัดลูกชายตายพอถูกงูเห่ากัดตายแล้วพ่อเห็นเ ข, าข้าก็อเอาลูกชายถ่นไปนอนไว้บนคันนาระยะนั้นมีคนอื่น ที่ผ่านมาก็เลยสั่งเสียว่าวันนี้ถ้าเขาไปในหมู่บ้านให้ไปบอกเขาด้วยอย่าเอาเข่าวมาเหมือนก่อนให้เอาเข่ามาเทียงส่วนเดียวคือทุกวันพวงนี้ตื่นแต่เช้าไปไถนาทำนากันจำนวนคนไปไถนาจี่คนไปทำนาจี่คนชาวบ้าน เจ้าของบ้านจะต้องนําอาหารมาให้เพียงพอแต่วันนั้นถูกลูกตายไปแล้วงูกัดก็เลยเหลือแต่พอ่อก็เลยบอกว่าให้เอาเข่ามาอาหารมาเทียงส่วนเดียวไม่ต้องเอามาสองส่วนแต่คนไม่บอกว่าคนหนึ่งมันตายไปแล้วไม่ได้บอกพวกนั้นเขาก็เอามาตามคำสั่งคือคนนี้ไปบอก มาผมมาถามว่าคนหนึ่งไปไหนถูกงูงเห่ากัดตายแล้วผู้แม่ก็ไม่เสียใจอะไรลูกสะพ้ายมาเห็นผัวตายอย่างนั้นก็ไม่มีการเสียใจตลอดถึงคนชายเพราะเคยพิ่ยาจนามรณาสติคือความตายประจําจิตประจําใจจนไม่มีการเสียใจอะไรที่ตายไปต่างคนก็ต่าง คือแบบความตายนี่มันเป็นธรรมดาเพราะเกิดมาจะต้องมีการตายไม่มีใครที่จะเหลือหลอไปได้เราเองก็จะต้องตายเหมือนเขาตีตายไปคิดอยู่ในใจอย่างนั้นแม่มีใครร้องไห้เสียใจแล้วก็หาเพลินมาจับเขาลูกของตัวจึงเหากัดตายไปหรือหัวของตัวจิเป็นัวจิเป็นเมีย กุจะเป็นคนช้กว่านายของตัวระยะที่หาปืนจะมาเผาอยู่นั้นด้วยอำนาจพวกนี้เคยเจริญมรณะสติมีความเชื่อมั่นในความตายถือว่าเป็นธรรมดาไม่มีจิตใจหวั่นไหวร้อนึ้นไปถึงพาะอินหลังั้นพายอิน มองลงมาจากสวรรค์มาเห็นคนทั้งสี่คนห้าสคนตาย้ากันจัดการจะเผาศพได้เห็นพวกนี้ไม่มีใครเสียอกเสียใจไม่มีใครร้องไห้ก็เลยลงมาจากสวงสวรรค์แรงเทศเป็นพรามลงมามาถามว่าพวกท่านจะทำอะไรกันเห็นฮะ คืนมากกว่ากันใหญ่โตจะย่างเนื้อหรือจะทําอะไรจึงทําแบบนี้เด็กทำผูพกพ่อตอบว่าจะเผาลูกชายผูกแม่ก็ว่าจะเผาลูกชายผูกเป็นสะพายก่ว่าจะเาผาหัวลูกจ้างคนชายก่อนจะเผานายทาตอบก็ถูกงูเหากัดตายแล้วจะเผา เดียวอินสีแปลงตอมเป็นาพามเลยถามว่าไอ้คนคนนี้คงจะเป็นคนไม่ดีคนชั่วคนเสียอย่างใหญ่โตกะมะัมั้งพวกท่านทุกคนจึงไม่เห็นมีความเสียใจหน้าตาปกติดีงามถ้าหากเป็นคนดีมีความดีผ่อแม่หรือเนี่ยคนชายก็จะต้องเสียใจ ร้องไห้และงมกันอย่างในที่เอทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนรักคนชอบใจของตัวตายไปจะต้องเสียใจร้องไห้อันนี้พวกท่านทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครโศกเศร้าเสียใจคงจะชั่วเหลือประมาณไอ้คนที่ตายไปนี้ทุกคนคงจะบ่นอยากจะให้ตายแต่นานแล้วแต่นี้ พอตายไปจึงไม่มีใครเสียใจแต่พ่อของเขาหรือแม่ของเขาเมียของเขาคนชายของเขาไม่ได้ตอบแบบนั้นถือว่าคนตายนี้เป็นคนดีมากเฉยคนชั่วคนเสียเหมือนตามว่าเมื่อเวลาเขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยทาอะไรให้พ่อให้แม่ให้เมียให้คนชาย เก็บอกเก็บใจเขาเป็นคนดีทำทุกสิ่งทุกอย่างสิสามารถทำได้เป็นคนดีเป็นทีเคารพเป็นที่นักถือของทุกคนในครอบครัวแต่ทีเขาตายไปไม่ร้องไห้ไม่มีการเสียใจหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเพราะพวก ฉันทุกคนในนี้เคยที่เจนามรณนาสติจะร้องให้ให้กลับขึ้นมาธรรมดาคนตายก็ไม่มีทางร้องให้เท่าไรคนตายก็ตายไปแล้วไม่มีทางที่จะดิบจะดีให้ไม่มีทางที่จะกลับฟื้นชีวิตมาเป็นมนุษย์อีกได้เหมือนกันกันกบร้องให้ เอาเดือนเอาดาวอยู่บนท้องฟ้าอากาศจยร้องขนาดไหนเดือนดาวเหล่านั้นมันก็ไม่มีทางที่จะได้ร้องไห้กับคนตายก็บทำนองเดียวกันต่างคนก็ต่างตอบกันไปตามเรื่องที่ตัวเคยที่นีที่เจนนะบางคนก็ตอบว่าเหมือนร้องไห้กับภาชนะดินคือมอ่อหายมันแตกไปแล้วร้องขนาดไหนมันก็ไม่มีดีขึ้นมาได้ นี่แต่จะทิ้งไปตามเรื่องของมันบางคนก็เหมือนกันกันกบมีมันหลอกขาบของมันไปแล้วหลอกขาบของมันมันไม่ยัดได้ยัดใจอะไรตัวของมันมันก็ไปตามหน้าที่ของมันคนที่ตายไปถ้ายังหมดกิเลสตัญหาจิต ท, ที่ออกจาก่างไปก็เหมือนกับงูเสื ร่างที่ตายนี้ก็เหมือนกับขาบของงูหลอกข่าบของงูมันไหนหายเดีตายไปที่ไหนหลอกข่าบมันก็ถิ่งเอาไว้ตัวของมันก็ไปตามนาทีของมันตอบกันไปคนละสิ่งละอย่างตามความคิดเห็นนี่การพิจารณามรณสติทําให้จิตใจในเก้าโศกไม่เสียใจเมื่อถึงการถึงสมัย ลมหายตายเขา้าเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราจะอดกันแบบนั้นได้หรือไม่เมื่อถึงการถึงสมัยผู้ที่รักให้ยินดีของเราตายเห็นลูกของเราหลานของเราผัวของเราเมียของเราพ่อของเราแม่ของเราตายไปถ้าหากมีทรามในจิตในใจยืงจัง อาจอดทนไม่ได้อาจทำอากับจินยาต่างๆนั่นนะห น, น้าตาหน่อผ่องใสนอกจากนั้นก็อาจร้องไห้พราอเป็นทุกข์ ใ, ในใจนี่คนที่มนมีทําในจิตในใจมันเป็นไปอย่างนั้นแต่นั้ น, น, านาการพิจารณาทมการฝึกทำการปฏิบัติทมถ้าปฏิบัติได้ ในหลาจะเป็นรารวะหรือบรนทิตเมื่อถูกเกิดการที่ในหน้าปราถนาเกิดขึ้นมันจึงมีการข่มจิตข่มใจเอาได้นในจิตใจหวัน่นไหวในจิตใจหลงไหลถินสติธรรมดาเพราะทำนั้นสอนให้ทราบให้ขอยใจสติธรรมดาเม่สอนในคน ลุ่มหลงมัวเมาที่พวกเราร้องไห้เส้ยใจก็เพราะเรามัวเมาเราประมาทเวลามีชีวิตยอยู่เมือนพิ่เจนาหาความจริงในถาดในขันเมือนเวลาตายไปมันจริงแก้ไขไม่ได้ไม่ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจิตใจยังเพียงตั น, น, นอดกั้นความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ น่ำตาจึงไหลออกมามันเป็นทํามนองนั้นจากนั้นจึงควรที่นิพพิจณาอบรมธรรมะหาธรรมะเอาไว้ในจิตในใจของตัวธรรมะจิงควรที่นิพพิจณ า, านั้นเราก็พิจนาเรื่องถาดขันธ์ร่างกายของเราถึงเราจะห่วงแหน รักษาดีขนาดไหนธาตุขันนี้มันก็ไม่มีความยินดีพอใจกับเราเรารักมันแต่มันไม่รักเรามันจะเป็นไตตามหน้าที่ของมันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราเจนเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรารักษามันเวลาหิวมาเราก็หาอาหารมาให้มันรับประทานให้มันกิน หนิวนอนเราก็พามันนอนเหน็ดเหนื่อยในการห่งเราก็พามันยืนมันเดินเวลาเดินเหนื่อยเราก็พามันหน่งมันนอนผัดเปลี่ยนกันอยู่ตลอดระยะเวลาหนาวมากกว่าฮะผ้ามาหม่มมานุ่งให้มันร้อนมากกว่าฮะน้ำหาพัดมาพัดให้มันอาบน้ำให้มันเถื่อนให้มันเย็น เราเป็นจีขาขาดพงถาดขันดูแลถาดขันกันมาต่างหลายศตปีเพื่ออยากจะให้ถาดขันมันสุกมันสบายมันไม่แปรปวนมันไม่เปลี่ยนแปลงนี่ความคิดความเห็นของเราอุตส่าห์พยายามตะคบปตะงมในถาดในขันมาเป็นระยะยาวนาน แกทาตหันมันก็ไม่ฟังเสียงของเรามันเป็นไปตามเรื่องของมันมันเจ่ไปเรื่อยๆเวลามันอยากเจ็บทางฟังสีงเราไม่ตองการปรารถนามันก็เจ็บขึ้นปวดขึ้นป่วยไข้ขึ้ น, น, นเมื่อมันเ็นอย่างนั้นเราก็หาอยู่หายามารักษาพยาบาลหายไปคราว น, นี้เข้าใหม่เกิดขึ้นอีก มันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องของขาดขันมันเหนี่ยฟังเสียงของเรามันเหนี่ยรักเรามีแต่เรารักเขาชอบเขาถ้าหากเราเข้าใจล่ะขาดขันมันเหน่ยินดีกับเรามันเป็นใจ ต, ตามหน้าที่ของมันเราไปหลงรักมันเราโง่เราบ้ารักของที่เขาไหมรักตอบเรายินดี ในของผี่เขาไม่ยินดีกับเราเราจะเข้าใจในตัวของตัวเองแล้วการรักการชอบการติดการคล้องการยึดการถือว่าเป็นเราเป็นของของเรามันค่อยจะเบาไปถอนไปเมื่อพิจารณาละเอียดเข้าไปได้เท่าไรใจมันจะถอนความจิดคล้องความยึดถือออกไปได้เท่านั้นแต่นั้นการภาวนาการศึกษาธรรมะ จึงได้เรียบคนที่ไหนได้ศึกษาไหนที่เจอนาเพราะมีอะไรเกิดขึ้นมาใจมันกาะวนสั่นใจมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่มีอาจมีทำไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติตัวเอาไว้ถ้าปฏิบัติตัวเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีทางที่จะแก้ไข เพราความจริงมันเป็นอย่างไรเราเดี๋ยวที่จนาถึงความจริงมันแล้วมันไม่อยากอยู่ก็ให้มันตามันอยากอยู่กว่าให้มันอยู่ไปมันอยากตายก็ให้มันตายไปตามฐานะหน้าที่ของมันจะเอาเรื่องอะไรกับถาดกับขันอีกอยู่ไปก็คอยวันคอยคืนที่มันจะตายเท่านั้นถาดขันอันนี้มันมาเดี๋ยวไปสู่ความดีความชั่วสวรรค์มันก็ไปไม่ได้ นรกมันก็ไปไมนได้เพราะถาดอันนี้ขันอันนี้มันตายแล้วมันก็ไปสู่ถาดเดิมของมันชววันนรกที่จะไปนั้นคือจิตใจต่างหาผู้ไปรู้ผู้ไปหึงไปหวงผู้ไปยึดไปถือถาดขันไม่ใช่ถาดขันมันไปแต่มันไปนั้นมันก่ทํำนองเดียวกันกับมีถาดขันเหมือนกันกับเราฝันทั้งท้งที่เรานอนอยู่ในห้อง นอนอยู่ในบ้านในเรือนของเราไม่ได้ไปที่ไหนแต่การฝันนั้นมันก็มีเนื้อมีตัวไปไปทั้งหมดเราเป็นคนอย่างไรเราก็ทราบว่าเราไปทั้งหมดไม่ได้ไปตั้งแต่จิตนี่คือเป็นเรื่องกายทิพยเป็นเรื่องจิตตวิญญาณที่ไปตกนรกไปเกิดสวรรค์มันก็ไปท้านอนเดียวกันนี้แต่ธาตุขันธ์ คือเราหิงเราหวงนี่มันไม่ได้ไปมันนอนอยู่ในห้องในที่นอนของเราแต่มันก็ไปเหมือนกันก็ว่าเราไปทั้งทั้งหมดมันดียอยู่ในสถานที่นั้นเวลาเราฝันมันไปกันหมดไหมรู้สึกตัวว่าตัวนอนอยู่นั้นมีการลมหายตายไปของเราถ่านก็ทํ า, ทานองเดียวกันไปนรกสวรรค์มันก็เือจิต ตวิญญาณซึ่งมีอยู่ในถาตในขันอันนี้ที่ยังไม่ตายแล้วราบกันดีว่าเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตโจิตอันนี้แหละมันไปผุดไปเกิดใหม่ตามเรื่องของกรรมที่เราสะสมเอาไว้ก่อนจะตายนั้นโดยส่วนใหญ่มันมีนินดๆเพื่องหมายแทบทุกคนไป ก่อนจะตายมันจะต้องเกิดบุพนิมิตขึ้นฐานิมิต ด, ม ด, ดีมันก็ไปสู่จุดที่ดีคติที่ดีพบที่ดีขาดที่ดีฐานิมิตชั่วมันก็แสดงว่ามันจะไปสู่เรื่องที่ชั่วที่เสียที่ไมปรารถนาที่ทุกข์ที่ลําบากมันจะต้องเกิดขึ้นในเวลาจิตก่อนจะตายไป ดันั้นท่านจึงให้ฝึกปฏิบัติ จ, จิตใจของตัวให้มีคุณความดีเอาไว้ทุกการทุกสมัยซ้อมเสมอที่จะไปสู่คติที่ดีพบที่ดีฉากที่ดีเพราะเรามีความดีอยู่ในจิตในใจของเราตายเมื่อไรก็จะไม่ผิด <c oughs> หวังให้ไปสู่จุดที่ดีให้ได้ที่จะเป็นอย่างนั้นก็เพราะอาศัย การฝึกการปฏิบัติหมั่นพินิจิจารณาอบรมศึกษาอย่าไปปล่อยวันเวลาให้หมดไปตั้งใจภาวนาบุญกุศลี่เราได้สะสมการทมบมเทนไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่หมายถึงหัวขอใหญ่ของ การทำบุญถึงว่าบุญจิริยวัตถุสามคือทานศีมภาวนาถ้าจะพูดถึงบุญจิริยวัตถุ ส, มมนะบบถสิมันก็มากไว้เราเคยทำไว้เราเคยสะสมไว้เราเคยประพฤติปฏิบัติมาทุกระยะทุกเวลาระลึกนึกล ức, ล ức ได้ในการทำคุณงามความดีของตัวเมน่อจิตได้เกาะได้อาศัย ความดีอย่างนั้นตายไปก็ไม่ผิดหวังจะไปสู่ที่ดีที่ปรารถนาได้ถ้าจิตไม่เคยทีนี้พิจารณาเอาเลยว่าความดีเป็นอย่างไรปลอยเห็นวันเดือน ป, ปีหมดไปหมดไปถึงเวลาตายมาก็ไม่ทราบว่าจะไปตกทุกข์ได้ยากลําบากอนาถาอย่างไรเพราใจไม่เคยสะสมคุณงานความดีเอาไว้แบบนั้นผิดหวังนั้นดันกับ ตาบอดยิงสอนเหมือนทาบว่ามันจะไปสู่ทิศทางใดที่มันจะไปโ ด, เดนเอานกเอาสิ่งที่ปศาถนานั้นมันแสนยากเพราะตามันไม่เห็นแบบสัตว์นั้นนั้นมันอยู่จุดใดทางใดพอที่จะยิงไปถูกนี่คนที่มืด บ, บอดไน่นี้พี่แจนะในม่ยสัสําระกายใจท้องตัว ใน่เดชะสมบุญเกิดลก็ทำนองเดียวกันการเกิดการตายจึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับใจของผุ้ทุกชนสำหรับใจของคนที่มืดบอดแต่ไม่เนปัญหาอะไรสำหรับใจของผู้ที่ฝึกหัดภาวนาผู้ที่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัว